2. อ, อายตนะวิพัง 1. สุดตันทภาชนี 154. อายตนะ 12. คือ 1. จักขายัตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. ส, สัทธายตนะ 5. ขานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. รสายตนะเกากายายตนะสิบโพธายตนะสิบอดมนายตนะสิองธรรมายตนะจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโสตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสัทธะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฆาณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาคันทะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาชิวหาไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดารถไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโพธิภพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดา มโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสุดตันตาภาชนีจบสองอภิธรรมมาภาชนีหนึ่งร้อห้าสิบห้าอายตนะสิบสองคือ 1. จัคคายตนะ 2. โสตายตนะ 3. าคานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. ากายายตนะ 6. มนายตนะ 7. รูปายตนะ 8. สศัทธายตนะ 9. คันธาายตนะ 10. รัษายตนะ 11. โเอ็ดโพธายตนะ 12. ธรรมายตนะ หนึบรรดาอายตนะสินั้นจักขายตนะเป็นฉนะจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตารูปสนับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยเห็นกําลังเห็นจักเห็นหรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักสุใด ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าจักขู่บ้างจักขายตนะบ้างจักขูธาตุบ้างจักขุนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างบรรระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตบ้างในตาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขายตนะ1 5 7 โสตายตนะเป็นไฉนะโสตตะใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตอรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยฟังกำลังฟังจักฟังหรือพึงฟังเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าโสตบ้าง โสตายตนะบ้างโสตธาตุบ้างโสตินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทบ้างปันฑระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตายัตนะหนึ่าคานายัตนะเป็นไนคานะใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตยอรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพ เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นอุคคลเคยดมกําลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคานะบ้างคานายตนะบ้างคานาตาบ้างคานินทรียบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้าง ปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าคานายตนะ 159. ชิวหายตนะเป็นชนหะนชิวหาใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยลิมกำลังลิ้มจักลิ้ม หรือพึงลิมรสที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าชิวหาบ้างชิวหายตนะบ้างชิวหาธาตุบ้างชิวหินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปัณฑระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านวางบ้างนี้เรียกว่าชิวหายตนะ 1น6 0งรยกายายตนะเป็นไฉไรกายใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพเป็นปรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยถูกต้องกําลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโหตพะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้เรียกว่ากายบ้างกายายตนะบ้างกายธาตุบ้างกายินทรีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทรบ้างปันดาระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝังนี้บ้างบ้านวางบ้างนี้เรียกว่ากายายตนะ16ึอยหเ็มนายตนะเป็นฉนมนายตนะหมวดละหนึ่ง ได้แก่มนายทนุที่สัมปยุทธ์ได้ผัสสะมนายทะนะหมวดละสองได้แก่มนายทะนุที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนายทะนุหมวดละสามได้แก่มนายทะนะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤะก็มีมนายทะนุหมวดละสี่ได้แก่มนายทะนะที่เป็นกามาวจรก็มี ที่เป็นปรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกก็มีมนายตนะหมดละห้าได้แก่มนายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินรีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินรีก็มี มนายัตนหมดละหกได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณมนายัตนหมดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้มนายัตนหมดละเจ็ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาต มนายัตนาหมวดละเจ็มีด้วยอาการอย่างนี้มนายัตนาหมวดละแปดได้แก่จักขวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหอรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนายัตนาหมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้ มนายัตนาหมวดละเก้าได้แก่จกักขวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมาโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็ ม, ทกมีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภพยากริตก็มีมนายัตนาหมวดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้มนายัตนาหมวดละสบได้แก่จกักขวิญญาณโสตวิญญาณ พาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมานายัตนาหมวดตรีมีด้วยอาการอย่างนี้มานายัตนาหมวดละหนึ่ง ได้แก่มนายนตนาที marque, no er ่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะมนายนิตนาหมวดละสองได้แก่มนายนตนะที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนายนตนาหมวดละสได้แก่มนายนตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีมนายนตนาหมวดละมากอย่าง มีด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่ามนายตนะ162รู ป, ปายตนะเป็นฉไนะรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูต ร, รูป4เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้เช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาทสีคล้ำ สีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์ แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมันีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพลทูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตา ร, รูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยเห็นกําลังเห็นจักเห็น หรือพึงเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี่เรียกว่ารูปบ้างรู ป, ปายตนะบ้างรูปประทัดบ้างนี่เรียกว่ารู ป, ปายตนะหนึสัทธายตนะเป็นฉไฉนเสียงใดาอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นเสียง กรองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดะเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันแห่งธาตุเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอะมนุษย์หรือเสียงแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่น บุคคลเคยฟังกำลังฟังจักฟังหรือพึงฟังเสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัทธะบ้างศัทธายตนะบ้างศัทธธาตบ้างนี้เรียกว่าสัทธายตนะหนึ่งคันธายตนะเป็นไน กลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นกลิ่นรากไม้กลิ่นกันไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยดม กำลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคันทะบ้างคันทายตนะบ้างคันท่าธาตุบ้างนี้เรียกว่าคันทายตนะ1 6ึ่งรประสายตนะเป็นฉไนรถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นรสรากไม้รสลาต้นรสเปลือกไม้รสใบไม้รสดอกไม้รสผลไม้รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคืนเฟื่องฟาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตอรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ เช่นบุคคลเคยลิ้มกําลังลิ้มจักลิ้มหรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารสบ้างรสสายตนณบ้างรสธาตบ้างนี้เรียกว่ารสสา ย, ยตานะหน6่งร้อโพธพายตนะเป็นฉไน ปัตวีธาเตโชธาวายโยธาที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเช่นบุคคลเคยถูกต้องกำลังถูกต้องจกถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธภพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่า โหทพะบ้างโหทพายตนะบ้างโหทพธาตบ้างนี้เรียกว่าโหทพายตนะหนึธรธัมมายตนะเป็นฉนัยเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธัมมายตนะและธาติ ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเวทนาขันเป็นไฉไหนะเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยพัทธะเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันเป็นไฉหนะ สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สมประยุทธ์ด้วยผัสสะสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าสัญญาขันสังขารขันเป็นไฉนสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สมประยุทธ์ด้วยจิตสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ สังขารขันหมุดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะเป็นไฉนะอิทถิ์สีการิงการาหารนี้เรียกว่ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นไฉนะ สภาวธรรมเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะนี้เรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมายตนะอภิธรรมภาชนีจบ 3. ปัญหาปุจจกะ168อายตนะส2องคือหนึ่งจะขายยตนะสอง ปรูปายตนะละสิอดมนายตนะสิองธรรมายตนะหนึ่รบันดาอายาตนะสิองอายาตนะเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกริดเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งติกะ มาติกาวิสัชนาะ 1. กุศลติกวิสัชนาะ170อายตนะสิบเป็นอัพยากฤิตอายตนะสองที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสองเวทนาติกาวิสัชนาะอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนามะนายะตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาก็มีธรรมายะตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขธรรมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากาติกาวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอายตนะสอง ท, ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินติกวิสัชนาอายตนะหกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัทธายตนะกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอายตนะสี่ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอายตนะสองที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรมมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 5. สังกิริทติกะวิสัชนาะอายตานะสิบกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตานะสองที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่กิเลสไม่ทําให้เ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 6. กสวิตะตะกตะวิสัชนาอายตนะสิบไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์มนายตนะที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีธรรมายตนะที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์ก็มี ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจาร์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีเจ็ปีติติกวิสัชนาอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุข หรือสหรคตด้วยอุเบกขาอายตนะสองที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุกก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี Venice? ที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทดพัฒนาติกวิสัชนาะอาย beard, ตนะสิบ ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี 9. ทัศน์เหตุตุติกะวิสัชนาอายตนะสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อายตนะสองที Tim, ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี10อาจายคามิติกวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอายตนะสอง ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิชนทิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิชนทิจุติและนิพพานก็มี11เอ็คติกวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสกขบุคคลอายตนะสองที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกขบุคคลก็มี ทีไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสกขบุคคลก็มี 12. ปริฏตติกวิสัชนาะอายตนะสิบเป็นปริตตอายตนะสองที่เป็นปริตตก็มีที่เป็นมหคัต ก, ก็มีที่เป็นอปปมามะนก็มี 13. ปริฏตารมณติกวิสัชนาะอายตนะสิบ รับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี14บี่ฮีติกวิจัชนาะ อายตนะสิบเป็นชั้นกลางอายตนะสองที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประนีตก็มีสิบห้ามิจฉาติกวิสัชนาอายตนะสิบเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอายตนะสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี ที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี16มัคคารมณติกวิสัชนาอายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิ บ, บดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุ หรือมีมักเป็นอาทิบดีก็มี 17. อุปนิสติกะวิสัชนาอายตนะห้าที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นก็มีสัทธายตนะที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีอายตนะหที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ Audience, ข้นก็มีที่จะเก er ิดขึ้นแน่นอนก็มีธรรมายตนะที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีท no ี่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี1ิแดอติตติกะวิเัชนาอายตนะสิบอที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นนาคตก็มี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 ที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มียีสิอ็อจชตารัมมานติกวิเศษชนาอายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า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 ติกมาติกาวิสัชนาจบ2ทุกกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคจั ช, ช, ะชะกาวิสัชนาน17ึออายตนะสิบเอดไม่เป็นเหตุทำมาายตนะที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะสิบไม่มีเหตุ อายตนะสองที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากเหตุอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยเหตุก็มีที่วิปยุจจากเหตุก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมายตนะที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ มนายัตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กราวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมายัตนะที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุแต่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี อายตนะสิบไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมายาตนะที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีธรรมายตนะที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุรันตะ ทุกกับวิจัชนาอายตนะสิบเอมีปัจจัยปรุงแต่งธรมมายตนะที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีอายตนะสิบเอดถูกปัจจัยปรุงแต่งธรมมายตนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีรูปายตนะเห็นได้อายตนะสิเอ็ดเห็นไม่ได้ อายตนะสิบกระทบได้อายตนะสองกระทบไม่ได้อายตนะสิบเป็นรูปมนายตนะไม่เป็นรูปทำมายตนะเป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอายตนะสิบเป็นโลกิยะอายตนะสองที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะสิบสอง ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี 3. อาสวะโคจัชกาวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นอาสวะทำมาอายตนะที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของอาสวะอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากอาสวะอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะ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 หรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมนายาตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอาสวะ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 อายตนะสองที่วิปบยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิบยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิบยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปบยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจชกวิสชนะอายตนะสิบอดไม่เป็นสังโยชนะ์ธรรมายตนะที่เป็นสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของสังโยชน์อายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีอายตนะสิบวิปยุ์จากสังโยชน์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 เป็นสังโยตแต่สัมปยุตด้วยสังโยชตหรือสัมปยุตด้วยสังโยช์แต่ไม่เป็นสังโยชตมนายะตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยตและสัมปยุตด้วยสังโยชตที่สัมปยุตด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้สังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มีธรรมายะตนะที่เป็นสังโยชตและสัมปยุตด้วยสังโยชตก็มีที่สัมปยุตด้วยสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยตและสัมปยุทธด้วยสังโยชตหรือสัมปยุทธด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีอายตนะสิบวิปยุทธจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยตอายตนะสองที่วิปยุทธจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่วิปยุทธจากสังโยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปปยุทธจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันทะโคจฉกะวิสัชนาอายตนะสิบอไม่เป็นคันทะธรรมายตนะที่เป็นคันทะก็มีที่ไม่เป็นคันทะก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของคันทะอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีอายตนะสิบวิปยุทธจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะอายตนะสองที่วิปยุทธจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุทธจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุ์จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุ์จากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี6ถึง8โอคโคจัชะกาธิวิสัทนาอายตนะสิบอไม่เป็นโอคไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรทำมายตนะที่เป็นนิวรก็มี ที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบวิปปยุตจากนิวรณ์อายตนะสองที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุตจากนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่า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 สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีทำมายะตะนะที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบวิปปะยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะสอง ที่วิปปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ปรามาสโคจัชกวิสัชนาอายตนะสิเอไม่เป็นปรามา ธรรมายตนะที่เป <Crit> ็นปรามาตก็มีที่ไม่เป็นปรามาตก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของปรามาสอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากปรามาสมนอายตนะที่สัมปยุจด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุจจากปรามาสก็มี ธรรมายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตตก็มีที่วิปยุทธจากปรามาตกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยปรามาตหรือวิปยุทธจากปรามาตกก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาต ที่เป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีธรรมายตนะที่เป็นปรามาต์และเป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาต์และเป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาต์ก็มีอายตนะสิบ วิปปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์อายตนะสองที่วิปปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่วิปปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือวิปปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มี 10. มหันตระทุกกะวิสัชนา อายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้มนายตนะรับรู้อารมณ์ได้ธรรมายตนะที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีมนายตนะเป็นจิตอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นจิตอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นเจตสิกธรรมายตนะเป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีอายตนะสิบวิปยุตจากจิต ทำมายตนะที Hence, ่สัมปยุทธ์ด้วยจิตก็มีที่วิปยุทธจากจิตก็มีมานายตนะกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธจากจิตอายตนะสิบไม่ระคนกับจิตทำมายตนะที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีมานายตนะกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิต อายตนะหกไม่มีจิตเป็นธมุฐานอายตนะหกที่มีจิตเป็นธมุฐานก็มีมดดมที่ไม่มีจ e, ิตเป็นธรมุฐานก็มีอายตนะสิบเอไม่เก in ิดพร้อมกับจิตธรรมายตนะที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นไปตามจิตธรรมายตนะที่เป็นไปตามจิตก็มี ที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอายตนะส1บเอไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานธรรมายตนะที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่ละคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีอายตนะส1บเอไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต ธรรมายตนะที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ประคบนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีอายตนะสิบอไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตธรรมายตนะที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ประคบนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐาน และเป็นไปตามจิตก็มีอายตนะหกเป็นภายในอายตนะหกเป็นภายนอกอายตนะก้าเป็นอุปาทายรูปอายตนะสองไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมายตนะที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี 11. อุปาทานโคจจจกะวิสัชนาอายตนะห้า กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือศัทธายตนะกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออายตนะหกที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือยยยยยยยก็มีอายตนะสิบเอไม่เป็นอุปาทานธรรมายตนะที่เป็นอุ ป, ปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทานก็มี อายตนะสิบเป็นอารมณ์ของอุปาทานอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอายตนะสิบวิปยุตจากอุปาทานอายตนะสองที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทาน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 และเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่เป็นนารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทาน coloring, แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมพยุดด้วยอุปาทาน หรือส no ัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอ <a> ุปาทานมนายตนาก่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กราวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีทำมายตนะที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มี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 ธรรมายตนะที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอายตนะสิบกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอายตนะสองที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มี Denmark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 หรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็เปนกิเลสมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีทำมายตนะที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นก hey, evet. ิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสมานายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตธ์ด้วยกิเลสที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมายตนะที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอายตนะสิบวิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะสอง ที่วิปยุ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปะยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปะยุ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปะยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสิบสามปิธทิทุกกวิสัชนาอายตนะิิ์ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก อายตนะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักก็มีอายตนะสิบไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีอายตนะสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอายตนะสอง ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีอายตนะสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอายตนะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีอายตนะสิบไม่มีวิตก อายตนะสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอายตนะสิบไม่มีวิจารณ์อายตนะสองที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอายตนะสิบไม่มีปีติอายตนะสองที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอายตนะสิบไม่สหรคตด้วยปีติ อายตนะสองที่สรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สรคตด้วยปีติก็มีอายตนะสิบไม่สรคตด้วยสุขอายตนะสองที่สรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สรคตด้วยสุขก็มีอายตนะสิบไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอายตนะสองที่สรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาก็มี อายตนะสิบเป็นกามาวจรอายตนะสองที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีอายตนะสิบไม่เป็นปรูปาวจรอายตนะสองที่เป็นปรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นปรูปาวจรก็มีอายตนะสิบไม่เป็นอปรูปาวจรอายตนะสอง ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอายตนะสิบนับเนื่องในวัตถุทุกอายตนะสองที่นับเนื่องในวัตถุทุกก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกก็มีอายตนะสิบไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุทุกอายตนะสองที่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุทุกก็มีที่ไม่เป็นเหตุนาออกจากวัตถุทุกก็มีอายตนะสิบ ให้ผลไม่แน่นอนอายตนะสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีอายตนะสิบมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอายตนะสองที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีอายตนะสิบไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อายตนะสองที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉะจบอายตนวิพังจบบริบูรณ์